ม, มนุษย์นี่เองเนี่ยที่มันหมุนเวียนไปก็คือจิตนี่มันยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงเพราะฉะนั้นมันจึงได้หมุนเวียนไปน่อยหนึ่งก็หมุนเวียนไปหาบาปอากุศลน่อยก็หมุนเวียนมาทางบุญทางกุศลสุดแล้วตั้งแต่กิเลสมันจะนําไปอย่างไร จิตใจก็หมุนไปตามมันอย่างนั้นอันนี้มันเป็นวัตตะวันเมื่อทํากรรมดีกรรมชั่วเข้าไปอย่างนั้นแล้วภายหลังมาก็ได้เสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นท่านเดีวิปากาวัดเสวยรสุขบัง่งเสวยทุกข์บ้างผัดเปลี่ยนหมุนเรียนกันไปอยู่อย่างนี้แต่เมื่อใช้ปัญญาตริทองดูให้ถี่ถ้วนลงไปแล้ว มันก็มีทุกข์นั่นแหละหลายกว่าสุขก็ความสุขนั่นมันเป็นความสุขชั่วคราวไอความทุกข์นี่มันเป็นทุกข์ประจำขันถึงว่าโรคภัยไม่เบียดเวียนก็ตามร่างกายนี่นะมันก็มีทุกข์อยู่ประจาอยู่คือทุกข์เกิดจากนั่งนานก็เป็นทุกข์ เดินไปนานก็เป็นทุกขยืนนานก็เป็นทุกนอนนานก็เป็นทุกจะไปนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ในคนเรานะเบยังงั้นนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวแล้วเนอก็เป็นลมแล้วอย่าง น, นี้แหละที่ว่าถึงโลกไปไม่เบียดเบียนมันก็มีทุกอยู่เช่นปวดอุจาระปัสสาวะก็เป็นทุกไม่ได้ไปก็เป็นทุกไม่ได้ถ่ายเทออกไปก็เป็นทุก อย่างนี้หิวหลับหิวนอนเมื่อไปได้นอนก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกประจําวันทุกร่างกายมานี่ทุกทางจิตใจใจนั่นเมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่ศงกไม่พออกพอใจก็เสียใจก็โกรธเกลียดมันก็ทําให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมา ทำอะไรลงไปแล้วไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจอย่างนี้นะถ้ามีใครมาสแสดงตนเป็นศัตรูอา้าลุกลานอยู่ไม่หยุดหย่อนอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แล้วหนักใจอย่างเงี้ยใความทุกข์ประจําวันของคนเรานี่นะมันมีอยู่นั่นทุกข์กายทุกใจแต่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลาย ผูรร้ปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมเห็นธรรมของจริงขึ้นมาในใจแล้วอย่างนี้ก็สิ่งใดที่ไม่จริงก็เลยไม่ยึดถือเอาไว้ยึดถือเอาไว้แต่สิ่งที่มันจริงเท่านั้นเนื่อ ว, ว่าธรรมของจริงแล้วไม่ต้องยึดถือมันมีอันเดียวมีอันเดียวเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องยึดถือ เมื่อจิตอย่างเข้าถึงธรรมของจริงแล้วมันก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่วันไวมันไม่มีอันใดที่จะไปซึมซาบเข้าไปได้ในธรรมของจริงอันนั้นนะเรียกว่ากิเลสตัณหาก็ซึมซาบเข้าสู่ไปไม่ได้เพราะเหตุดังนั้นมันจึงไม่เป็นทุกข์ใจนั่นแหละผู้รู้ทางหลายนะท่านยังไม่เป็นทุกข์ดังนั้นพวกเราก็พยายามฝึกหัดปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงธรรมของจริงอย่างนั้นแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์ใจอย่าไปติดอยู่เพียงแค่ธรรมของไม่จริงใครว่าดีมากกว่าดีอกดีใจไปมัในใครว่าไรามากกว่าเสียใจโกรธนี่เรียก ว, ว่าจิตใจมันติดอยู่แต่ทำธรรมของไม่จริงให้เข้าใจถ้าไม่วันไวรู้เท่าทันทั้งสองข้างสองทาง เช่นว่านี่แล้วนั่นแหละจิตเข้าธรรมเข้าถึงธรรมของจริงพราะมันเรียนรู้นี่ผู้ภาวนามันก็จะมองเห็นนี่ความเสียใจความดีใจนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปเฉยๆนะเป็นทุกข์ด้วยต้องรู้ด้วยปัญญาผู้ไม่มีปัญญาแล้วจะเสียใจอยู่วันนมันก็ไม่รู้ทัวหรอกว่าไอ้ความเสียใจนี่มันเป็นทุกข์ อย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่ได้คิดเลยก็มีติตาเสียใจประโยชน์นั่นเฉยๆนี่แหละความดีใจมากหมุนี้กับมอนกันนะมันนึกไปได้เ อ, อนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปก็บพ่อมันไปถือเรื่องธรรมดาอันไม่ควรถือนั่นแหละมันถึงเป็นทุกข์อยู่นี่นะแต่ถ้ารู้เท่าตามเป็นจริงจิตไม่หวั่นไหวแล้วเออนั่นเราจะรู้ว่าธรรมดาของ สังขารมันก็เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั้นและทั้งดีทั้งชั่วอะไรมันก็รู้เห็นตามสภาพความจริงอยู่อย่างนั้นนั่นได้ชื่อว่าถูกต้องอันนั้นน่ะไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยอะไรความรู้ความเห็นอย่างนั้นน่ะอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องค้นคว้าพิจารณาให้มันรู้มันเห็น ผู้ใดพิจารณาไม่รู้ไม่เห็นไม่ละความยินดียินร้ายต่างๆวันนี้ออกจากกิจใจเป็นนักบวชบวชอยู่ก็บวชอยู่ไม่ได้ต้องศึกษาลาเพศไปสแสวงหาสิ่งที่ตนพอใจยินดีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหรือผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะเมื่อละความยินดียินร้าย ไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนหลายเพราะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนหมู่มากมีแต่เรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่นั่นแหละอย่างนั้นถ้าหากว่าผูใ้ใดไม่ฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในสินในธรรมในบุญกุศลแล้วเช่นนี้ก็จะไปวันไว้ไปตามความยินดียินร้าอยู่นั่นตลอดไปเลย ก็หาความสุขใจสบายใจไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละโลกมันหมุนแต่เราจักไม่หมุนตามโลกก็เตือนตนเขาว่าอย่างนี้โลกเขาหมุนไปรักกันบ้างชังกันบ้างทะเลาะวิวาดกันบ้างแข่งดีแข่งเด่นกันบ้างเราจกไม่หมุนไปอย่างนั้นเลย นี่มันต้องสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้เราจะอยู่ตรงกลางเลยเขาผู้ที่ไม่รู้ทั้งหลายเขาจะหมุนไปยังไงตัวยังไงก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่เราจะไม่หมุนตามโลกนั่น <c oughs> ก็ให้สอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ความสบายใจเท่า น, นั้นเก็เรียกว่าหยุดหมุนนะ จิตนี่แหละหยุดหมุนนะ่ะจิตที่ไม่แสดงความยินดียินไล่ความเสียใจเศร้าโศกไปตามกระแสของโลกอนะนั่นแหละเรียกว่าจิตหยุดหมุนเมื่อมันหยุดหมุนแ ล, ล้วมันก็สงบมันก็เย็นสบายผู้ใดกระทำจิตใจให้สงบให้เย็นสบายได้ยอย่างนี้นะครับเป็นนักบวชนี่มันก็พอใจที่จะมาพึ่งมอานารย์เลยเพราะว่าคนเรานี่ อยู่ที่ไหนไปที่ไหนเขามุ่งหวังให้มีความสุขอย่างเดียวถ้ามีความสุขอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องอยู่ที่นั่นมีความสุขอยู่ด้วยอาการอย่างไรแล้วก็ต้องอยู่ด้วยอาการอย่างนั้ น, นเป็นแบบนี้ขอให้ได้ความสุขก็แล้วกันแต่ที่ผู้บวชเข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้นี่แสดงว่ามันประมาทปล่อยให้กิเลสเผาจิตให้เราร้อนอยู่นั่น มันก็อยู่ไม่ได้จิตเราร้อนเพราะกิเลสกิเลสจะเผาจิตได้ก็เพราะจิตสร้างกิเลสขึ้นมาถ้าจิตไม่สร้างขึ้นมาแล้วมันมันไม่เผาจิตมันไม่มีกิเลสนะถ้าจิตไม่ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นอย่าไปโทษอย่างอื่นโทษตัวเองแหละตัวเองตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนวนวาย อย่างไรอย่างนี้นะนก็เพราะตนเองนั่นนะสร้างให้แก่ตัวเองสร้างกิเลสมาเผาตัวเองถ้าตัวเองฝึกใจให้สมาธิให้มันตั้งมั่นลงไปแต่มันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งไปในเรื่องที่จะให้เกิดความเสียใจดีใจเศร้าโศกอย่างว่านั้นแล้วคิดมันก็ไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนอะไร ผู้ปฏิพิพรมจันท์ก็สบายพอใจในการปฏิพิพรมจันทร์ไปเพราะมันเห็นผลนี่เป็นผู้ไม่พมาดเนยนั่นนี่มันเห็นผลแห่งการปฏิบัติการนั่งสมาธิภาวนาลงไปแล้วจิตใจสบายส ง, งบนิวรณธรรมทั้งห้าไม่ไม่ครอบงำจิตใจได้เช่นนี้นะ แล้วบวชมาแล้วใครจะไปอยากศึกอยู่หันแล้วมองเห็นว่าการไปอยู่คลองเรือนนี่แม้มันทุกมันแสนทุกแสนยากเอาจริงๆนะพอไปอยู่ครองเรือนนะ่ะมีผัวมีเมียมาแล้วกัวมีลูกจะต้องเลี้ยงดูผู้เสื่ออ้อาวถ้าหาเงินไม่ทันก็ดือดร้อนไม่มีอันจะจับจะจ่ายประจำวันให้ทุกวันนี้ การครองเลือนจะไม่เหมือนจะเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนั้นคนน้อยทรัพยากรธรรมชาติหาได้ไม่อดจากผักออต่างๆที่เกิดอยู่ตามป่าก็เยอะแยะเลยไปเก็บออกมาเดี๋ยวๆ เ, เอามาต้มมาแกงมาลวกกินได้แล้วสัตว์สวาสิิงต่างๆผู้ปลาอะไรก็ไม่อดไม่อยากไปก่อนผู้ทำปานาธิบาต มันก็ไปหาปลามาเลี้ยงกันสบายๆไม่มีเงินก็อยู่ได้ตั้งแต่ก่อนนี่นะไอ้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินแล้วก็เป็นอันว่าเดือดร้อนเนี่ยเต็มที่เลยการอยู่ครองเรือนนะนเนนอะไรๆก็ต้องซื้อลองคิดดูคนสมัยทุกวันนี้นะถ้ามีเงินหน่อยน้นขี้คล้านปลูกผักปลูก พืชพันธ์ต่างๆผลไม้ไม่เอาแล้วไปเอาเงินไปจ่ายเอาที่ตลาดเลยไอ้อย่างนี้นะแล้วเงินมีเพียงนิดหน่อยจ่าไปจ่ามาหาไม่ทันก็หมดเดือดร้อนคนไม่รู้จักประหยัดใช้ประหยัดจ่ายนั่นแหละเรียก ว, ว่าการอยู่ครองเรือนนี่นะมันแสนยากแสนลำบากจริงๆนะึ แต่ทําไมเราจึงไปอยู่กันน่ะเอากระทันหานี่ก็มันปล่อยตันหาครอบงําจิตใจเต็มที่แล้วตนไม่มีอิสระแก่ตนนะตันหามันก็จูงไปหาทุกข์เท่านั้นเองก็ตันหาพระพุทธเจ้าตรัสรอมเป็นิยตได้เกิดทุกข์เนี่ยจริงว่าไงแล้วตันหามันไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดสุขนี่มุนตัาหาที่มันเป็นเหตุให้เกิดสุข ผู้ําเพ็ญบุญกุศลเข้าไปโดยความไม่ประมาทละบาปเสียได้ใจซึมมั่นคงอยู่ในบุญในกุศลเช่นนี้ตั้งหากหรอกจึงเป็นสุขสบายได้นี่แหละให้พากันคิดดูให้ดีผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องพยายามเอาชนะกิเลสตัณหาอันย่มๆยามนี้ให้ได้เมื่อต้องการความสุข ความเจริญอย่างมั่นคงจริงจังลงไปแล้วถ้าหากว่าไม่ชําระ ก, กิเลสตัณหานี้ให้น้อยเบาบาง อ, อุปาจิตจากจิตใจแล้วเป็นพระเป็นเณ น, นอยู่ก็ไม่มีความสุขไปเป็นคารืหัดก็ยิ่งทุกข์หลายเป็นอย่างนั้นเป็นครึหัดอยู่เอาความอยากสิมันท่วมทน้นจิตใจอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มี รถก็ไม่มีขี่กับเข า, เขาอย่างนี้แหละจะไปมาทางไหนก็ต้องจ้างรถจ้างลาในราคาแพงๆถ้าได้รถมาขี่สักคันหนึ่งก็จะสะดวกดีเอาเงินมันไม่มีไม่พอทีนี้บางรายอยากได้หลายก็ไปดาวเขาเอาเขามามีเงินพันสองพันก็ไปดาวเอารถม e. อเตอร์ไซค์มาขี่แล้วก็หาเงินส่ง มวดเข า, เาถ้าหาเงินสงฆ์เขาไม่ได้เขาก็มายึดเอารถคืนไปเสียอืก็มีแต่ทุกข์อยงว่านะเรื่องโลกสงสารอันนี้เป็นอย่างนั้นนเรื่องของตัณหานะความอยากมันย่อมหมุนไปตามกระแสของโลกมเป็นเงนินโลกโลกเขาสมมุติว่าอย่างไรเป็นสุขสนุกสนานเอาก็อยากเป็นสุขสนุกสนานอย่างเขา อย่างนี้แหละแล้วที่นี้ตัวเองบุญน้อยอะ่ะวาสนาน้อยหาเงินหาทองอะไรก็ไม่ได้ตามประสงค์ธรรมมาค้าขายอะไรก็ขาดทุนทำนาก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นนี้แล้วก็ลงทุกข์แล้วผู้นั้นนะอืมอย่างงี้นะทีนีผู้เป็นนักบวชเนี่ยถึงแม้จะบุญน้อย บวชเข้ามาแล้วพะพุทธธรรมวินัยไปยังเคร่งครัดไม่ประมาทเช่นนี้แล้วบุญบา ร, รมีมันก็ยังเจริญขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธาของบุคคมผู้ได้พบได้เห็นเขามีศรัท ธ, ธาเลื่อมใสอเขาบริจาคจตุปัจจยไทยทานมานี่ก็พอได้อาศัยไม่อดไม่อยาก สำหรับนักบวดถ้าผูกวอมเพญบุญกุศลไปให้เต็มความสามารถแล้วไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากเหมือนอยู่ผู้คลองเรือนเน่เป็นผู้ครองเรือนนี่ถึงแม้จะขยันมันเพี้ยนยังไงมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากใจเพราะว่ามันมีอุปสรรคขัดข้องนา น, นาประการของชีวิต ของผู้ครองเรือนเนี่ยมันพลุงพลังไปหมดเพราะว่ามันมีคู่นี่แหละของสิ่ใดที่มีคู่แล้วมันกระทบกันมันก็ดังไปดังมาอยู่นั่นเนี่ยเหมือนกระดิ่งแขนคอควายคอวัวเมื่อมันลูกมันมีตัวกระดิ่งก็มีควายไหวไปมาไหนลูกกระดิ่งมันก็ตีกระดิ่งดังไปดังมาอยู่นั่นเนี่ยอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ คู่ครองเรือนทั้งหลายเนะี่ยเมื่อทําไปทํามานะี่ยมันผิดหวังอะไรมาแนละ้วเกิดทะเลาะ ก, กันขึ้นมาเนี่ยกโทษกันเป็นกับคุณนั่นแหละทําไม่ดีอหน่อยก็โต้กันไปโต้กันมาก็เดือดร้อนบางคู่ก็เลยต้องแยกทางกันเดินนะเมื่อตกลงก็ไม่ได้ไม่อาไปต่อกันแลยกันนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหลพะพจนานการครองเรือนเนี่ย ท่านยังกล่าวว่ามันยากมันลําบากมากให้ผู้ที่มาบวชเป็นพระเป็นเจ้าที่ท่านมันคงถาวร อ, อยู่ได้นานบางทีก็เป็นหลว ง, งพ่อหลวงตาที่มาบวชแล้วตั้งมั่นอยู่ในธรรมินัยด้วยดีหรือเป็นชีเป็นขาวได้ครองเลื่อนมาจนเท่าแกชราก็อย่อมเห็นทุก์ในการครองเลื่อน ว่าเป็นหนทางแห่งความเศร้าหมองของชีวิตไม่สามารถจะทําชีวิตให้พองใสได้เอด็ดนั่นก็จึงได้สละบ้านเรือนเข้ามาบวชเป็นชีเป็นภักข์าเมื่อนี่นะควรสังเกตสําเนียกดูถ้าว่าการครองเรือนมันเป็นสุขสบายดีเพื่อนก็คงจะไม่สละบ้านเรือนออกมาบวชเลยแม้ว่าผู้ไม่ได้ครองเรือน มาแต่ก่อนถ้าผู้มีบุญวัฒนามีปัญญาแล้วไม่ไม่ไมยากอะไรนั่งภาวนาดูก็รู้ว่าโทษของการของเรือนเป็นอย่างไรอย่างไรนั่งภาวนาสําใจสงบพิจารณาดูก็รู้ได้ชัดเจนเลยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของลี้ลับซับซ้อนอะไรนักหนาแต่ว่าคนผู้ประมาทแนะ่น่ะเมื่อมันปล่อยให้ตัญหาครอบงำจิตใจแล้ว นั่งภาวนามันก็นั่งคิดไปแต่ครองเรือนนู่น น, นี่คิดไปแต่หาเงินหาทองหาลาบหายศไปอย่างนั้นแล้วมันจะไปเห็นโทษของการครองเรือนอยังไงเล่าการสร้างวิมานบนอากาศเขอคิดหาเงินาทองมันก็ว่าได้เงินได้ทองมากมายใช่ไหในความคิดนั้นนะ่ะได้เงินมาก้อนหนึ่งจะต้องซื้อรถคันหนึ่งจะต้องสร้างบ้านใน้สวยงาม อะไรต่ออะไรมันก็ปุุงไปนเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างวิมานโมนาการขันเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทีนี้มีแต่สัญญาอารมณ์ชื่อซื้อไม่มีอะไรจะเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนเลยความคิดทั้งหลายคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปอยู่เฉยแต่ว่าอาศัยจิตนี่มันหลงห ล, ลงตัวเองหมายเขาว่างั้นหรือไปหลงตัวเองนั่นแหละ ตัวเองคิดไปในทางแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้ตัวเอเป็นเช่นนั้นเดืองมานนะ่ะดังนั้นนะ่ะผู้เป็นนักวดต้องระมัดระวังความคิดให้ดีถ้าหวังต้องการความสุขในพรหมจรรย์นี้แล้วผู้ใดสำรวมระวังจิตให้ดีไม่ให้กิเลสมันจูงไปทำประสงค์อย่างที่ว่านั่นเนอะมันก็แสนสุขสบายถึงยังจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก็ตาม แต่เป็นผู้มีความสุขอยู่ด้วยความสงบใจด้วยสติสมบัตเนญญประคับประคองจิตอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเวลานาทีไปไม่ปล่อยให้มันเกิดกา ร, รมวิตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็มีความสบายตามสภาพแล้วเรียกว่าไม่เดือดร้อนนะ การประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นไปได้เลยวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเราอาศัยความสุขอันเกิดจากความสงบนี่แหละเป็นทุนให้หมุนให้เราทำความเพียร น, นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมแลเพื่อบำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อได้ความสงบใจพอสมควรแล้วอย่างนี้นะ เดินจมกลมกอสํารวมจิตพิจารณาร่างกายสังขารนี่ให้เห็นจริงอยูอยงนั้นนั่งสมาธิอยู่ก็บสํารวมใจสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายเพราะว่าจิตมันหลงอยู่ร่างกายนี่แหละเหตุที่มันจะสร้างกิเลสตัณหาขึ้นมามันเป็นงั้นถ้ามันรู้แจ้งในร่างกายปล่อยวางตามสภาพได้แล้วมันจะไม่สร้าง ราคะโทสามโมหะขึ้นมาเลยจิตใจนี่นะทีแรกมึงกำหนัดร่างกายตัวเองนี่แหละคนน่ะลองสังเกตดูให้ดีถ้ามันไม่กำหนัดกินดีในะร่างกายตัวเองอยู่นี่แล้วมันจะไม่กำหนัดไปในเรื่องภายนอกเลยเบงนั้นมันจะสงบอยู่ได้ภายในนี่อันมันโกรธก็เหมือนกันเลยแล้วมันโกรธให้ตัวเองนี่แหละคนนะ่ะ มันถึงมันจึงพุ่งไปใส่คนอื่นเข้าไปแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงโดยตรายลักษณะญาณอยู่เสมอเสมอแล้วมันจะไม่รักมันจะไม่ชังตัวเองธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เลยเขาไม่ใช่ของเรานระาจะไปรักไปชังมันทําไมอ่ะแม้คนอื่นก็ไม่ใช่ของเขาฉะนั้นเราจะไปรักไปชังมันทําไมล่ะอย่างนี้นะ ปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เพ่งพี่นาะร่างกายสังขารนี่ให้เห็นเป็นไตรลักษณญาณขึ้นมาอย่างว่านั่นแหละตรงพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนะ่นี่ยมันถึงมีอุบายสอนใจให้ปรงให้วางได้ถ้าหากว่าไตรลักษณญาณหมายความความรู้แจ้ง ในความไม่เที่ยงของร่างกายกด็ดีความรู้แจ้งในความเป็นทุกข์ทนในยากลำบากของร่างกายกด็ดีความรู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้เป็นอนัตตาไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เบื่อหน่ายมันจะไม่วางอุเบกขาลงได้เลยอย่างนี้ให้เข้าใจนี่แหละคาว่าไตรลักษณญาณ น, นะแปลว่ายานสามพูดง่ายๆมัน่บไป ยานสามยานความรู้ในอนิจจังทุกขังอนาัตนีนี่แหนละเป็ น, นเพีงนั้นเพราะนั้นการภาวนานะมันต้องให้เกิดปัญญาอย่างลงรู้สังขาร น, นามรูปนี่โดยไตรลักษณะยานอย่างว่านี่นะี่เช่นนี้มันถึงปรุงความรักปรุงความชังลงได้ใจมันจึงเป็นอุเบกขาต่อธาตุสีขันห้า ทค้องตัวเองและผู้อื่นแม้ถ้าสีขันหน้านี่มันจะสวยจะงามมันจะหยาบมันจะละเอียดอย่างไรสุขุมปานิษอย่างไรก็ตามเราก็ตกตามรู้ว่ามันไม่เที่ยงทั้งนั้นหละถึงมันจะสวยงามละเอียดปณนิย์ยังไงก็ตามนะในที่สุดมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนานไปมันก็แปลผันไปเลยกลายเป็นของไม่งามไปแบบนี้นานเข้านะ มันไปอย่างนั้นเมื่อแรกเห็นแรกพบนี่ก็เกิดลังเลสงสัยขึ้นหละไม่สังสงสัย้ะบางคนก็ถือว่าสวยงามเข้ามาทันทีเมื่อเพราะว่ามันเชื้อมันมีอยู่ในใจในภายในนั้นอยู่แล้วพอได้เห็นเชื้อภายนอกเข้าไปมันก็ดูดกันเข้ามาในจิตใจนี่ ทำให้ใจหลงละเมอไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละสายเหตุที่คนเรานั้นจะได้ตกเป็นท่าแ่งตันหาออทำการทำงานกมพ้นทนเด็ดไม่ได้หยุดได้ยัง้งอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะี่้ทำให้คนเรานั้นไปทำบาปไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก่ามุสาวาด เดืมสุราเมรยัยกัญชายาฟิ น, ฮนเฮโรอินต่างๆวะนี่มันก็ล้วนตั้งแต่บุคคลประมาทไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตของตนให้สงบไม่เจริญปัญญาไม่เห็นแจ้งในธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี่แหละเพราะฉะนั้นในขั้นพระโสดาบันนี้นะในว่าภาษาพระโสดาบันท่านละสักายยทิฐินี่เนยะเสียได้ลองฟังลองคิดดู คือท่านจะไม่เห็นว่าธาตุสี่ขันธานี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเลยความเห็นของพระโสดาบันจะเกิดขึ้นว่าธาตุสี่ขันธานี้ร่างกายอันนี้ทุกส่วนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามีความเกิดขึ้นแล้วแปร่วนแตกกลับไปเป็นธรรมดาตลอดบุญกรรมที่นำมาตกแต่งขันธ์ห้านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ่มันตกแต่งมันบำรุงรักษาไปรักษาไป มันก็หมดไปหมดไปร่างกายอันนี้ก็สุดททมเท่าแก่ชะลาไปอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละในที่สุดเมื่อบุญกรรมมั น, มนหมดลงไปแล้ววันนี้ก็ร่างกาย น, นี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกต้องทำลายลงเหตุนั้นความรู้ความเห็นของพระโสะดาบันที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นท่านยังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งได้ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดามเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้เห็นความจริงของสังขาร ร, ร่างกายทั้งพวงเหล่านี้เมื่อเรารู้จริงตามเป็นจริงได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของตัณหา จะไม่ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้ถ้าเป็นนักปวดก็จะเป็นผู้มั่นคงภาในพรมจรรย์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ทำบาปทำกรรมอันชั่วชาลามมุกต่างๆเป็นอย่างนั้นผลที่จะต้องได้รับจากการเจริญสมถะวิปัสสนานี่ขอให้เข้าใจกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้ก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญทำให้กิเลสตัณหาโนยเบาบางออกไปจากกิจใจได้อย่างแท้จริง